เราพาการฝึกหัดกรรมฐานทุกคนทีม่มานี่แต่ว่าความแต่ว่าการฝึกหัดกรรมฐานยังไม่ถันถูกต้อง<ม>คือยังไม่นเต็นก็มีบางคน<ม>หัดกรรมฐานกับหัดได้งั้นเนี่ยเออทราบหรจับหลักเราตรงไหนไม่มีหลักมีเกณฑ์ น่าเสียดายเวลาล่วงไปเฉยๆควรที่จะจับหลักได้ฝึกหัดปฏิบัติจริงจะเป็นไปถ้าจับหลักมาได้ก็อยู่นั่นแล้วงมๆไปฟาวนั่นแหละไม่ทราบว่าเอาตรงไหนกันยิ่งอยู่นานไปเท่าใดยิ่งเลอะเทอะเลี้ยวไหล ฮัดไม่ได้เรื่องได้ลาวคนเราแก่มามันเป็นยังน้นความแก่ความชาราท่างดุดโทมไปจับโน่นวางนี้แตบอะไรก็ไม่ถูกสักทีไม่มีหลักมีเกณฑ์คนเราแก่ไม่เหมือนกระลูกไม้มวัวงมันแก่มันก็นยังสุข มันแก่มันยังอร่อยมันหวานคนเรายิ่งแก่ยิ่งเปรี้ยวยิ่งไม่เป็นอันจิมควรควรที่จะเห็นในตัวของเราทุกๆุกคนมันเปรี้ยวอยู่ตรงไหนมันหวานอยู่ตรงไหนคนเรา คนแก่สมกับคนแก่คนหนุ่มให้ตามเธอปล่อยก็ตามเรื่องไปก่อนความแก่ควรที่จะมีหลักมีเกณฑ์พระพุทธเจ้าท่านไลยเลือกเอาอายุเป็นคนแก่ไม่ใช่อายุมากๆอย่างเรียกว่าคนแก่ท่านเรียกว่าคุณธรรม คนแก่มีคุณธรรมนั้นได้ยถึงว่าแก่ถูกต้องแก่ดีงามแก่ชุกหวานอร่อยแก่มันมีคุณธรรมแก่เปรี้ยวมันก็เปรี้ยวเลยสิเห็นอะไรเด้อด่ากาดด่าวุ่นวายมั้งวุ่น ว, วายมันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปรี้ยวเว้ยสินะ เย่อเพี้ยวอะไรนะคือไม่ยับยั้งทั้งใจของตนไม่รู้จักหลักของตนหลักของตนที่ปฏิบัติเนะีเอาอะไรเป็นหลักนั่นแหละมันเพี้ยวตรงนั้นแหละใครเขาไม่ชอบหวานนี่ใครก็ชอบทุกคนเปรี้ยวใครก็ไม่ชอบ พระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าโยจะวัตตะสตังชีเวโยจะวัตตะสตังชีเเมีอายุตัง100้งร้อยปีเอาเถอะไม่เห็นไขไม่เห็นความเสื่อยสมชินของสังขารร่างกายต้งตน คนนั้นน่ะเอกาหางคีตาสยูสู้คนเดียวคนที่เนียญยุในวันเดียวเท่านั้นน่ะแต่ไวเห็นความเสื่อมความจิ้ของามาัขงขานของตนไม่ได้ทนว่างนันเหนียญยุมากแต่ไม่ด้วยจักหลักธรรมไม่มีหลักจิตใจของตน สู้เด็ดที่มันเกิดมาในวันนั้นมองเห็นชีวิตของตนความเสื่อมของจิ้นของตนไม่ได้ทันวันนั้นเหตุนั้นควรได้จะหาหลักดังจะอธิบายต่อไปนี้เร า, า, าภาวนาหาหลักจิตหาหลักจิตหลักใจ คนเรามีจิตมีใจทุกคนแต่ว่าไม่เห็นจิตใจของตนมันเรียกว่าไม่เห็นจิตใจของตนเรียกว่าไม่มีหลักเห็นจิตใจของตนแม้นั้นตั้งสติพิจารณาจิตใจของตนอยู่แนวแนตลอดเวลาคิดดีคิดชั่วยอย่าดละเอียดก็เห็นอยู่ แล้วมันสามารถที่จะก็ไม่สามารถที่จะทําชั่วได้สิขั้นเห็นจิตตึ้งตัวอย่างนั้นเหตุ น, นั้นจึงตั้งสติสติคือความรุทคือตั้งไว้ตั้งตรงนี้อะเอาปริกรมรมมาตั้งคือจิตมีตัว ให้เอาคำบริกรรมมาแน่หนึ่งก็ได้พุโทโธก็ได้สัมมาทังอะไรยุคหน่อข้องหน่อ อ, อะไรนั่นนหะคือว่าเอายุคหน่อเอาพุโทโธดีกว่าพุโทโธอยู่ที่ใจใจเป็นคนนึกคนคิดพุดโทโธจากตัวนั้นน่ะให้มันได้คิดใจนั่นเอาเอาพุโทโธมาไว้ฮะมันมารวมเป็นที่เดียว รวมความคิดความอ่านทั้งหมดมาอยู่กับพุโทโธนึกกับที่พุโทโธเดียวให้เห็นตัวนั้นได้ก่อนอยืนเดินนั่งนอนในยาวยาแรงของหมดอยู่กับพุโทโธนเดียวจิตใจทั้งคนเรามันอันเดียวไม่ใช่ไม่ใช่หลายอย่างที่เวลาหลายอย่าง คือมันเร็วมันเร็วที่สุดเราจับมันไม่ทันเราจับเอาเอาพุโทโธนะเอาจิตเอาไว้พุโทโธจับตัวจิตได้หรือคะนี่นั้นอันเดียวแทๆ้ๆมันคิดพุโทโธนึกพุโทโธกันเดียวนึกทามโตั้งโคลกันเดียว มันนึกจริงเลยเด็กกับผู้เดียวนเนี่ยเป็นคุนนึกชาเลยพิการสติรักษาจิตสามปัญญะก็มีในตัวนั้นรู้ตัวว่าเรารักษาจิตกติรักษาจิตเมื่อรู้ตัวแล้วสิ่งอื่นหมดกับวาง ยังเหลือแต่สติกับจิตเหืือแต่สติกับฉันปัญญาขับจิตเท่านั้นนะสามอันเท่านั้นนะรวมลงไปใ น, นเดียวกันจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ตลอดเวลานั่นเรียกว่าคุมคุมของจิตอยู่รักษาจิตอยู่จิตเป็นของเราแล้วครับ ทำอย่างนี้แหละจึงจะเห็นจิตถ้าไม่ทําอย่างนี้ไม่เห็นเลยปฏิบัติไปเถิดกี่ปีกี่ปีก็ปฏิบัติไปเถิดไม่เห็นจิตเลยทําปฏิบัติตรงแนวนี้เลยเห็นทุกคนจิตของตนมีอยู่แต่ไม่เห็นถ้าทําอย่างนี้จะเห็นจิตทุกคนมีทุกคน จิตของคเรางั้นในที่ว่าฝึกหัดจิตทำสมาธิภาวนาก็คือฝึกหัดจิตฝึกหัดจิตก็คือต้องการให้ดูจักจิตให้จิตอยู่ในอำนาจของเราเท่านั้ น, ไ ม, มนไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนอกจากนั้นเห็นจิตของตัวเจ้บทุกข์ขนาด ได้คิว่าเราควบจิดได้แล้วลองดูจิตเขาห น, นะะี้งนะถ้าคุกจิตเราจะทํายังไงต่อไปก็คิด ต, ตัวเดียวนี่ยนะมันคิดอะไรมันสงสัยอะไรมันปรุงมันแต่งอะไรก็คิด ต, ตัวเดียวเนี่ยเราอย่าคิดใช่อย่าปรุงอย่าแต่งใช่มันก็เฉยอยู่จิตคนเดียวเดินเฉยอยู่ใช่ เราควบจิตอยู่แล้วครานี้มันจะมีเวลานึงท่า น, นั้นเรียกว่าวิธีฝึกหัดวิธีปฏิบัติฝึกหัดต้องแต่อย่างนั้นทุกๆองค์อะไรใครจะฝึกหัดได้ก็เอาถเถอะอาจารย์ไหนก็ตามเถือต้องฝึกหัดนี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทุกองค์มาฝึกหัดนี้ทางนั้นให้ฝึกหัดอื่น เมื่อพึ่งหัดจิตอย่างนี้อยู่อย่างนี้แล้วมันจะมีเวลารวมรวมไม่ไดต้องเราไปรวมเองเราไม่ต้องไปรวมมันมันรวมเองของมันดังหาจิตรวมนั่นท่านเรียกว่าเขาวางขังค่จิตเรียกว่า พวังคุปเชธาคือมันคณะเดียวรวมเดือกณะเดียวพวังขบาดไอ้พวังขบาดคือมันรวมลงขณะเดียวแล้วก็ถอนออกมาพวังคจานะมันรวมแล้วไปส่งสายอยู่ภายใน น, นั่นแหละกับพรวังคจารณนะทำมาในส่งออกไปข้างนอกส่งสายอยู่ภายในเหมือนกับ คนที่เข้าในบ้านในเรือนแล้วปิดประตูมดัดเสแสงไฟสว่างก็วิ่ว่อนหาริ่งทั้งหลายทั้งปวงในในบ้านในเรือนนั่นรหวังเขเจระณะ้าวังเขาไปเฉทะแบบนี้เด็ดเดียวลงไปเลยนิ่งแน่วสู้อารมณ์เดียวตัดขาดมดตั้งภายนอก บางทีไม่สามารถที่จะรู้ว่าตนอยู่อย่างไรตรงไหนแต่มันมีใจใจอันยั่งเข้ามาตังนั้นอันนี้เรียกว่าบัญญตัตท่านบัญญัติสมมุติตามอาการจนเตแต่บางทีนั้นผู้ที่ฝึกหัดปฏิบตัติอย่างอธิบายในบางต้นรักษาควบคุม สติควบคุมคิตอยู่เท่านั้นไม่ไปไหนอยู่อคนเดียวแล้วสามารถจะรวมรูบลงไปถึงที่ผวังขบะผวังคู่ปเทศธะเลยก็ได้ไม่ต้องลําดับผวังคู่บาตผวังคเจอหน้าผวังคู่ปเฉธะไม่ต้องลําดับถึงผวังคู่ปเทศธะเลยก็ได้ ที่ท่านอธิบายที่อธิบายเป็นขั้นตอนๆนะครับอธิบายไ่้จังหา้ผู้เป็นอย่างนั้นท่านก็อธิบายอย่างนั้นแต่แท้จริงไม่ได้บังคับเป็นเลยจงพะวังคผู้ผจญท่าเลยเพไหท่าเป็นมัวเมาเจะถือตามตาหนายอยู่ไม่เป็นเดชขาดเหตุนั้นอย่าไปถืออันนี้อธิบายฟังได้เกย ในแถวพขาวังเียวกับววังคู่ไอ้เขวางขบากขาวางเทาจจรณาเวังคุปเิเสธนั่นแถวพราวังอธที่ไปหน่อยไอ้ยืดยาวหน่อยคันี้แถวสมาธิครนี้กะใล้ยๆกับควังคู่บาเนะี ขณิกาสมาธิอุปัจจาระคล้ายกันกับการภาวนาขจันละอัปปนาสมาธิคล้ายกับภทวางาาัาวางคู่ปชีทะแต่เรื่องภาวันเป็นเรื่องของชาา สมาธิเป็นเรื่องของสมาธิมันแยกกันตรงนั้นคณิกะสมาธิเราพิจรารณาพุทธโธเนี่ยนึกพุทธโธอันเดียวเลยนะบางครั้งมันก็อยู่บางครั้งก็ไม่อยู่ผู้ว่าไปมาอยู่จิตในแนวเนี่ย เ, ยเป็นผู้ว่าไปมาอย่างนั้น อันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิปุปจาระสมาธิคันนี้จิตแน่วลงอันเดียวแต่มันมีอาการไปไปออกมาอยู่ในภายหนรู้ตัวอยู่ว่ามีอาการวุ่นมีอาการไปไปออกมาอยู่แต่ไม่ได้ส่งนอก มันมีอาการภายในอาการส่งนอกนั้นส่งแท้โดยที่ไม่รู้ตัวคิดนึกสงสายปรุงแต่งสาภาพทุกสิ่งทุประการรอบด้านเราติดจนไม่มีสตินั้นเรียกว่าส่งนอกแท้ส่งนอกส่งในนี่ไม่เป็นอย่างนั้นมีสติรู้อยู่ แต่ว่ามันไม่หยุดส่งไปเลยเรื่องของคิดของอ่านของภายในหรือส่งไปดำกายกระตาพิจนากายนี่แห ล, ละอาการอยู่ภายในเรียกว่าส่งในอัปปนาสมาธิครั้งหนึ่งจิตแน่วเต็มที่ไม่ได้คิดนึกส่งนอก ละเอียดเต็มที่เลยแต่รู้สึกว่าละเอียดรู้สึกว่าจิตละเอียดเนี่ยละเอียดแค่ไหนก็รู้จักว่าจิตละเอียดแต่ไม่คิดไม่พิจารณารู้จักรู้สึกเฉยนั่นเรียกว่าอัปปนาสมาธิเอาตอนนั้นแด้ก่อนคําว่า ให้เวางหรือสมาธิกันเอาแค่นั้นไปก่อนให้ได้แค่นั้นไปก่อนคราวนี้ค้อเมื่อลงสมาธิเต็มที่แล้วนั้นอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็จะถอนออกมาอยู่ในอุปจาราสมาธิ จิตเนิบสงสัยแต่ว่าอยู่ภายในขอบเขตของสติควบคุมสติควบคุมอยู่ฝึกหัดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาคือพุทธศาสนานี้เรื่องต้นอย่างอธิบายมาแล้วฝึกหัด จิตด้วยการมีสติรวมรู้ตัวอยู่เรียกว่าพุทธะจิตจิตเมื่อฟุทธะได้แล้วจะเข้าถึงอัปนาสมาธิที่สุดของพุทธศาสนาเพียงแค่นั้นเรื่องพุทธะจิตเมื่อเมื่ อ, อถอนออกมาแล้วจะไม่อยู่ในอุปจาระ ไม่น่าเหนือยจากนั้นนรอแต่เมื่อผู้ฝึกหัดปฏิบตัติจะต้องฝึกหัดอยู่เสมอเสมอแล้วเพราะอะไรเพราะงานยตนาธาตุของเรามีอยู่ขันของเรามีอยู่มันจำเป็นจะต้องกระทบกระเทือนจำเป็นจะต้องหวนไหวจำเป็นจะต้องฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา ได้แล้วมันออกมาอีกได้อัปนาสมาธิแต่มันยังมาเปดิดอุปจาระอุปาจาระแล้วมันอาจสามารถที่จะไปถึงคณิกาหรือออกไปนอกจากคณิกาไปจะ้อีกผู้ฝึกหัดปฏิบัติที่ยังไม่ทันจำนีจำนานสามารถที่จะหลงตามหลงไปตาม อันนั้นยังไม่ใช่มัตตผลผนิพพานอันนั้นเป็นแต่เพียงว่าฝึกหัดเฉยๆพอ่อยางถึงไม่เฉยพอ่อยางเข้าถึงก็แสบเฉยความสงบเยือกเย็นที่เป็นอัปนาสมาธินั่นได้ชื่อว่ายัางถึงพุทธศาสนาแท้ ดั้งถึงกระแสความจริงแท้ทีเดียวนั้นเมื่ออับปันไอเมื่ออุปจาระมันถอนอุปจาระต้องพิจารณาพิจารณาละพิจารณาท่าสี่ขั้นหายจะทานี่แหละไม่ต้องหนีหนอนีจากนี้หรอกพุทธศาสนานี่ทั้งหมดนอกจากท่าสี่ขั้นหายจะนาแล้วไม่มี ที่จะพิจารณาตีก้อยเล็กน้อยออกไปนอกนั้นมากว่าแต่สรุปใจความแล้วรวมมาในธาตุเจียชนะทันหายชนะนี่ทั้งนั้นพิจารณาของวัเนียมันเห็นจริงธาตุตีตัวของเราก็มีทุกคนทันห้าตัวของเราก็มีทุกคนอาจจะธาตุทิศสองตัวของเราก็มีทุกทุกคน มีพร้อหมดแล้วทุกอย่างเครื่องไม้เครื่องมือของเราก็มีที่จะทํทาการทํำงานให้ก็มีของเราเครื่องไม้อะไรคือสินสมาธิปัญญาอย่างอธิการมาให้ฟังนั้นพิจารณาลงไปสิพิจารณาทานท่าเสียงไปมันไม่เห็นนะค่ะนี่อันที่มันไม่เห็นนั่นที ธาตุสี่มันเห็นเป็นคนไม่ใช่ธาตุสี่พิจารณาธาตุี่กว่าจะให้มันเห็นว่าเป็นธาตุี่จริงหรือจังนาแสนนานทีเดียวยากแสนยากทีเดียวขันห้าเละที่จะเห็นว่าตัวของเราเป็นขันห้าก็ยากเหมือนกันมันเห็นเป็นตนเป็นตัวใช่ไเห็นเป็นวุรุษหญิงชายเห็นเป็นแก่เป็นหนุ่มเห็นเป็นสาวอะไรต่างๆไปร้อยแฉกสมบัติ จึงพิจารณาบ่อยๆพิจารณาไม่เชยฉานนานจนเหตุตัวของเราเป็นธ า, าตุเปลี่ยนได้เปียงธาตุสีเป็นขันห้าไม่ใช่ตนใช่ตัวมันก็จะบายทีแตเหต็นไม่นธาตุสีขันหะมันจะไม่สบายเจ็บป่วยก็ธาตุสีขันหะไม่สบายก็ธาตุสีขันหะ แต่จ้ายว่ถ้าสี่ขันหามันจะมีอะไรเหลือนี่อธิบายถึงหลักการปฏิบัติให้จำได้ให้ให้แม่นยำจำได้ให้จริงให้แม่นยำได้ก่อนแล้วยังค่ฝึุนหัดไปตามอาธิบายอย่างอาธิบายมา น, นี่แหละจึงจะได้หลัก คันท่าเงินไม่ได้รักสักทีชีวิตของเราเกิดขึ้นมามันไม่แน่นอนแก่ถึงขนาดนี้แล้วทุกทุกขดไม่จะเอวัยวะทั้งหมดเมื่อไรมันจะแตกกระดาษก็ไม่ทราบมันไม่บอกเวลาให้รีบทัาเสียในเมื่อมีเวลาอยู่ดี เห็นหน้าท่านอยู่หลัดเปงรีบธรรมใชแล้วก็ยังได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดเวลารีบฟังเชรีบทาเช่ให้มันทันกับเวลาของเราอ่ากเอาปากกนนั่งภาวนานั่งสมาธินั่งภาวนา คือขาขวาทับขาซ้ายมือขวาถัามือซ้ายหากว่าไม่ถนดัดจะนั่งพท่บเทียบยังไงก็เอาตามใจอิยาบทก็ได้อิยาบทอะไรก็ได้เราตามชอบใจเราตั้งสติกำหนดจิตจิตนั้นอยู่ที่ไหนเอามาเอาพุโทโธไว้ที่จิตะ หรือเอาจิตไปไว้ที่พุโทโธก็ได้ให้เห็นพุโทโธอยู่กับจิตให้เห็นจิตอยู่กับพุโทโธอันเดียวเท่นั้นเนีย่ยาได้ส่งไปทั้งนอกทั้งใน่าได้ส่งไปทั้งหน้าทั้งหลังตั้งอยู่เฉพาะอันเดียวคือว่าพุโทโธอันเดียวนั่นเนี่ การตั้งจิตถูกตั้งจิตตรงคือไม่นึกคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตทางภายนอกภายในอยู่งเฉยเฉยเอาอันนั้นแล้เอาพุทโธนะาไว้เฉยเฉยะนะตั้งจิตใ้พุทโธนะั้นเฉยเฉยหยุดตรงกลางกอนะไม่ต้องการจะให้นานนึไม่ต้องการทําให้นานนึเร็ว มันหากเป็นเองเหรอคือเมื่อจิตตั้งแน่วอยู่อย่างนั้นแล้วดูกำพุทโทนเดียวแล้วมันเป็นเองเราไม่ต้องการแต่งถ้ามันเป็นเป็นเพานาเองมันจะรวมเข้าไปเข้าไปเป็นใจ คือมันชี้เฉย อ, อยู่เข้าไปรวมเข้าไปได้ชี้เฉย อ, อยู่บางทีมันอาจจะรวมรูปเข้าไปดังเหมือนกับเสียงผ้าผ่านี่ก็มีเดี๋ยวตื่นตกใจใช่บางคนบางทีก็หายว่าเหมือนกับไม่มีสิ่งของไม่มีอะไรทั้งหมดดวงเรากลัวตายแค่ก็มี การที่มันจะตกเหวตกผาบูบลงไฟถ้ากลัวตายสะดุ้งถ้าตัวมีขันท่ า, ทาหาก็ผู้ทำผู้มีสติควบคุมจิตอยู่จะไม่ตกใจถ้าว่าว่างมันไถ่สลว่างถ้าว่าดังเหมือนกับฟ้าผ่าก็ดีหรือตกเหวตก ผ, ผาก็ดีอะไรต่าง นั้นใครเป็นคนว่าจิตจะเข้ามาอยู่ไนที่นั้นแท้ที่จริงนั่ น, นจิตนั่นอกแสดงถึงเรื่องจิตนั่นแหละว่างกับจิตนเป็นของว่างสว่างมดเป็นแสงรสว่างเราเลยไปมองแสงมันไม่มองจิตของเราแล้วมันตกวัวลงไปยังไงหรือ แ, แสงเตีอาไว้แล้วก็าดผ่าไงมันออกไปจากใจ น, นั่นเอง ถ้าผู้มีะติควบคุมใจอยู่จิตจะไม่ถอนยิ่งจนละเอียดลงไปถ้าถ้าจิตถอนก็บพรอหนานล้ลเป็นเลยค่ะนี่อาการที่มันเป็นเชนนั้นเป็นเพราะเหตุที่เราทำสมาธิเบื้องต้นคือควบคุมจิตนั่นเองจิตมันอยู่ในที่เดียว เกิดมีมิตต่างๆสารพัทุกอย่างแล้วแต่นิสัยของคนบางคนจะนิ่งเฉย อ, อยู่ไม่มีอะไรนิ่งเฉยแค่อยู่นั่นนะนิ่งเฉยแต่ฉเฉย อ, อยู่นั่นได้ก่อนอย่าไปพึ่งดีน้นรนเดือดร้อนอยากจะให้เป็นนวนเป็นนีเลยเอาเข้ามนนนนานี่ํานานเห็นทีนี้เดียวเอาอีกพิจารณาอีก เขาเป็นอย่างนั้นเพราะนานอีกเขาเป็นอย่างนั้นนะ่ะนานนะข้าหากจะรู้เรื่องของมานันของอันนี้มันมีครูมีอาจารย์รู้ได้จนเองเห็นชัดไดตนเองอยังเอาพู้คนอื่นฟังก็ไม่ได้พวกพวกคนอื่นฟังก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกับของฝันของเราแหละ ฟันเนนโน้นเน้นนี้เรื่องางฟันตัวฟันเปิดเพลิพนสนุกคะแนนทกงการเถอะมันเล่าคนอื่นฟังมเล่าเฉยๆเขาไม่ไปเห็นด้วยเราสมาธิภาวนาเรื่องจิตใจก็อย่างเดียวใครจะเห็นใครจะรู้โดยไม่รู้ก็ตามเถอะแต่เรารู้โดยตนเองนี่แหละ หัดจริงเนี่ยทุกๆคนนะต้องหัดอย่างนี้สิเดียวเอาทำเพราะนาทันนี้จะไป